ในธรรมไม่ชีดอะไรให้ที่ธรรมทุกท่านพวกเราก็มาร่วมกันสวดมนต์แล้วก็สวดอภิธรรมแปลในงานงานกานณ์สงคาญของอาจารย์คนทอง น, นุ่มอาจารย์ก็ผมไม่ได้สั่งเสียชัดเจนว่าจะให้สวดอย่างไรทำอย่างไร แต่ก็อาตมาก็อนุมานเอาตามที่หลวงพ่อกคำเคียนเนาะเคยวางรูปแบบไว้หลวงพ่อคำเคียนก็เป็นอาจารย์ของอาจารย์สมพลคนแรกนะที่สอนกรรมฐานอาจารย์เรียนกรรมฐานจากหลวงพ่อจิตใจก็เปลี่ยนนเห็นรูปเห็นนามเห็นความจริงของธรรมชาติเนาะ อาจารย์ก็เคารพในองค์หลวงพอ่อขงเขียนมากนะมากก็เชื่อว่าแม้แต่ตอนที่นดะังจากอาจารย์เสียชีวิตแล้วก็อยากจะเดินตามรอยหลวงพ่อนะแหละก็คือว่าให้จัดนะพิธีการให้ง่ายๆนะไม่ต้องยุ่งยากนะอัดใส่ความเรียบง่ายแต่ก็คงความหมายของของธรรมะนะอย่างเราตรวจ นะอภิธรรมแปรเราก็ได้ระลึกถึงนะความจริงนะของชีวิตเนาะพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราไว้นะมาสองพันหกร้อยกว่าปีละนะแต่มันก็ยังเป็นความจริงถึงตอนนีนะ้ท่านค้นหาความหมายของการมีชีวิตอยู่นะมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะการค้นหาความหมายของของการมีชีวิตอยู่ เรามีชีวิตยอยู่เพื่ออะไรแต่ก่อนนะเคยมีที่นอนมีอาหารกินมีชีวิตในการเรียนมีชีวิตในการคลองคู่นะแค่นี้หรือชีวิตของเรานะสุดท้ายเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปแต่พอเราเห็นว่าในเมื่อเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราเกิดมาเพื่ออะไร เรไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อแค่ตายเนาะ <c oughs> ก่อนที่เราจะตายเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนาะอาจจะมาว่าอาจารย์กำพลเองก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเนาะก่อนที่อาจารย์จะประสบอุบัติเหตุท่านก็คงมีชีวิตเหมือนคนทั่วไปก็คงคิดว่าชีวิตก็คงเรียนหนังสือเรียนจบมีงานทําำหวังจะบวชแล้วก็จะเบียนนะต่อนะ แต่ชีวิตก็พลิกเปลี่ยนนะไม่ได้บวชไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ก็พอเป็นคนพิกการก็อาจจะยังไม่รู้ว่าความหมายของการมีชีวิตยอยู่โดยที่ร่างกายมันทําอะไรไม่ได้มากอย่างที่ตัเองเคยทําได้เนี่ยมันอยู่เพื่ออะไรฮนะแต่สิ่งที่ทําให้อาจารย์เปลี่ยนชีวิตของท่านก็คือธรรมะพอเมื่ออาจารย์เข้าใจธรรมะนะจิตใจเปลี่ยน ชีวิตที่เหลือก็เปลี่ยนตามไปด้วย<ม>เพราะท่านเห็นแล้วว่าชีวิตที่เหลือแม้ไม่สามารถเดินได้แต่จะอุทิศชีวิตนี้ให้เป็นอุปกรณ์สอนธรรมเป็นอุปกรณ์ทั้งที่พูดบ้างหรือไม่พูดบ้าง<ม>ใช่ไหมมีคนมาสนทนาธรรมตั้งแต่ยุคแรกๆนะที่อาจารย์ไปอยู่ที่สุประตูก็อาจจะไม่ค่อยมีใครรู้จักบ้างนะแต่หลวงพ่อเองก็มักจะแนะนําว่านะให้ไปหา อาจารย์กำพลสินอนอยู่ขุดชอสิบหนะ่ะอยู่บนป่านะก็เดินไม่ได้นะไปเยี่ยมดูสักหน่อยนะนะก็มีหลายคนทั้งเป็นพระทั้งเป็นแม่ชีหรือเป็นญาติธรรมก็ ข, ขึ้นไปเยี่ยมอาจารย์กำพลที่ที่กุฏิเนาะที่วัดป่าสุกโตในยุคแรกจนทั่งก็เริ่มมีคนนะรู้จักอาจารย์มากขึ้นนะเริ่มเชิญ ไปบรรยายในที่โรงพยาบาลในที่สถานปฏิบัติธรรมต่างๆมากขึ้นอันเนี้ยเป็นอุปกรณ์สอนธรรมที่อาศัยคําพูดเนาะอาศัยการกระทําที่อาจารย์ได้ทํามาเอามาพูดนะมาบอกมาสอนหรือที่จริงบางทีอาจารย์ไม่พูดนะแค่อาจารย์นอนยิ้มแค่อาจารย์นั่งยิม้มนะ่ะคนที่อยู่กับอาจารย์ก็สบายใจแล้ว ดืมว่าอาจารย์เป็นคนพิการใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าทำไมคนพิการส่วนใ่า่ที่เห็นส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อมทุกข์นะไม่มีความสุขแต่อาจารย์นั่งยิ้มนอนยิ้มได้ทั้งวันเนี่ยมันเป็นความสุขที่คนที่ได้มาสนทนาทำด้วย <c oughs> เขาดืมเลยว่าอาจารย์เดินไม่ได้อาจารย์หายใจไม่อิ่มแต่อาจารย์ก็แสดงให้เห็นโดยการการกระทเนะนการกระทำ ในกิริยาท่าท า, างต่างๆรวมทั้งคําพูดนะที่มันชัดเจนในสภาวะธรรมนะที่แสดงให้เห็นเนี่ยมาว่ามันเป็นมันเป็นความหมายของชีวิตที่เรามีชีวิตอยู่นะก็คือการที่เราประพฤติธรรมนะเป็นทั้งมีธรรมประจําใจของเรารวมทั้งเมื่อเรามีธรรมะแล้วเราก็ช่วยกันนะเป็นอุปกรณ์สอนธรรมนะ หรือว่าเผยแพ่ธรรมะในรูปแบบที่เราสามารถทำได้นะอาศัยคำพูดอาศัยการกระทานะเพื่อบอกกล่าวหรือเพื่อบอกสอนหรือเพียงแค่เพื่อสแสดงนะแค่สแสดงเฉยเฉยเนะนะคนที่จิตใจเขาพร้อมที่จะเรียนรู้นะคนที่มีปัญญาเขาก็เข้าใจได้แล้วแหละว่าสภาวะมันคืออะไรนะนี่คือสิ่งที่อาจารย์ท่านสแสดงให้ให้พวกเราเห็น แม้แต่ตอนที่ท่านป่วยหนักๆเนานะท่านก็ยังอยู่กับโครคภัยไข่เจ็บที่ที่ทรมานได้ได้ดีกว่านะคนป่วยทั่ ว, วไปแม้บางขณะถ้าจะมีเวทนามากขึ้นจนเหมือนจะทนไม่ไหวนะแต่มาก็มองว่าถ้าเป็นคนธรรมดาเนี่ยเขาแย่กว่านี้ไม่รู้กี่เท่านะอาจารย์ก็อาจจะหนักแต่มันก็หนักไปตามเวทนาของกายนะที่บางครั้งมันก็ เจ็บปวดมากหรือว่าทรมานมากจริงๆก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีบ้างที่มันดูไม่ไหวนะแต่มันเป็นเรื่องของความไม่ไหวของร่างกายที่มันไม่ไหวมันเป็นขีดจํากัดของร่างกายที่ไม่ไหวไม่ใช่ว่าใจไม่ไหวนะไม่ใช่ว่าใจไม่ใช่ว่าใจไม่สู้หรือว่าใจเป็นทุกข์นะแต่มันเป็นทุกข์ที่เกิดจากร่างกายมันบีบคั้นจนทุกข์ทรมานมากๆ หรืแม้แต่บางคนกังวลนะตอนที่อาจารย์โคม่าตอนที่อาจารย์ใกล้จะเสียมีญาติธรรมบางคนก็กังวลว่าเออบรรยากาศจะทําให้อาจารย์จิตนะสับสนติดตกหรือว่าห่วงกังวลหรือเปล่านะแต่มาว่าไม่เกี่ยวหรอกนะจิตอาจารย์เปลี่ยนไปในทางที่ดีอยู่แล้วนะไม่มีใครมาทําให้จิตท่าน ตกต่ำลงไปได้หรอกไม่ต้องกังวลนะคนที่กังวลห่วงท่านน่นแหละควรไม่ต้องกังวล น, นนะควรห่วงตัวเองว่าว่าเรากังวลใจไปไม่ต้องห่วงกังวลใจของอาจารย์กําวลหรอกแต่เพียงแต่ ว, ว่าท่านจะถึงที่สุดหรือเปล่านั้นเราก็ไม่รู้นะแต่แน่นอนมันไม่ต่ำลงไปกว่าที่ท่านเคยเคยทําได้อยู่แล้วแต่มันจะไปถึงที่สุดหรือเปล่วนั้นเราก็ก็ไม่รู้ได้ แต่ก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่ากายกับใจเนาะบางทีมันก็เป็นสิ่งที่แยกกันแล้วก็สิ่งที่สัมพันธ์กันใช่หอบางทีกายมันทุกข์มากๆแต่ใจไม่ต้องกังวลอกว่าใจท่านจะทุกข์นะมันไม่ทุกข์หรอกนะแต่บางทีมันก็สัมพันธ์กันนะเวลากายเวลอถ้าคนเรานะถ้าใจมันทุกข์นะร่างกายมันก็ทุกข์มากกว่าที่มันเป็นนะเหมือนหลายคน เจ็บปวดเจ็บป่วยไม่สบายนิดหน่อยเนะี่ยพอใจเราทุกมากเนาะร่างกายเราก็ทุกมากตามไปด้วยนะแต่อาจารย์ก็แสดงสัจะทําให้เราเห็นว่าเนี่ยมันะมาสามารถทําได้นะมันสามารถอยู่ไดนะ้แม้เราไม่สามารถที่จะเลือกที่จะมีชีวิตอย่างไม่มีเวทนานาะบางทีเราเลือกไม่ได้นะอืม มันเป็นเรื่องของกรรมเนาะหลายคนก็ตัดพอนะพอได้ยินว่าทำไมอาจารย์ตรงคนต้องแบบทรมานมาแทบทั้งชีวิตนะตั้งแต่เกิดตั้งแต่มีชีวิตในวัยเด็กก็ลำบากหรือว่าเป็นคนพิการแล้วก็เป็นมะเร็งเจ็บปวดทรมานมากอือท่านท่านที่อาจารย์เองก็เคยพูดนะว่าในชีวิตนี้เนะี่ย ไม่เคยทำความชั่วเลยนะไม่เคยทำไม่ดีเลยนะแต่ทำไมต้องได้รับวิบากกรรมที่นีนะ้อันนั้นเราก็ไม่รู้นะว่าอาดีตก่อนนั้นนั้นท่านทำอะไรมาบ้ า, นะางคงเป็นนะวิบากของกรรมที่เคยทำมาในอดีตนะแต่มาก็ภาวนาว่าชาตินี้ของนะเขาคงมาเอา มาใช้กรรมจนถึงชาสุดท้ายนะท่านจะ ไ, ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วให้มันทุกเต็มที่ในชานี้นะในทางกายนะแต่ทางใจนะก็ขอให้มันเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ค้นทุกอย่างทิ้งเชิงนะไม่ต้องกลับมาเหวี่นไหวใจเกิดขึ้นแล้วตัวเราเองจะเป็นอย่างไรนะหมายว่าจัรย์กคนสอนสัจธรรมที่ที่ดีมากๆากนะ บางทีเนะี่ยเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะเป็นโรคอะไรเราเลือกไม่ได้หรับว่าเราจะทรนะมาณขนาดไหนนะแม้บางทีเรามีตัวช่วยเยอะมากนะมีหมอมีเงินมียาแต่พอถึงี้สุทเิแล้วหมอหรือยานะหรือว่าคนดูแลก็ดูแลไ ด, ได้แค่ระดับระดับหนึ่งใช่แต่บางทีมันแน่น ม, มันปวดมันอะไรต่างๆ่ย ยาโดยหมอบางทีก็ช่วยไม่ได้แก้ไม่ได้มันอยู่ที่การวางใจของของตัวเองเท่านั้นนะมันอยู่ที่การทําใจของเราเองเท่านั้นอนะเราทุกเนะก็ไม่มีใครช่วยเราไดนะ้แต่เราก็จะอยู่กับความทุกข์อย่างไรเนะี่ยให้ใจเราไม่ทุกข์เนะี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกเนาะอนะอย่างอาจารย์ทําได้นะครูบาอาจารย์หลายรูปทําได้เนะี่ย ก็คือสิ่งที่ท่านได้ฝึกนได้ทํามาก่อนบางทีเราจะไปทําตอนที่เราแก่หรือทําตอนที่เราเจ็บหรือทําตอนที่เราใกล้จะตายเนะี่ยบาทีทํายากมากนะเพราะว่าถ้าเวทนามันหนักมากๆหรือว่าถ้าความตายมันมาเยือนแบบที่เราไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุใช่ไหมหรือว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยไม่ทันได้เตรียมตัวนะ เราจะทำอย่างไรนะเอาง่ายๆเหมือนคล้ายๆไฟไหม้ขึ้นมานะจะหยิบอะไรออกไปจากบ้านออกไปจากปุติกนะก็หยิบได้นิดนหน่อยหน่อยท่านั้นใช่แต่ถ้าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนนะอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญอ่านะเราแต่เราทำเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรเนี่ยอก็มีหลายอย่างนะนะนะในทางโลกเราก็คงไม่ต้องพูดถึงลนะนี แต่ในทางทำก be ็คือเนี่ยการเจริญสติอการสุขสิธตฝึกใจนั่นแหละคือเป็นสิ่งที่สําคัญเนาะจะได้ประมาทนะว่าเรายังไม่แก่อจะได้ประมาทนะว่าเราจะไม่เจ็บจะได้ประมาทนะว่าเรายังไม่ใกล้จะตายเนี่ยการประมาทคือแบบนี้นะไม่ใช่ประมาทเดินเลือเล่นไฟเล่นนั่นเล่นนี่นะประมาทคือเนี่ยประมาทในวัย ประมาทในสุขภาพประมาทในความในชีวิตว่ายังไม่ใกล้จะตายอันนี้คือคนที่ประมาทการที่จะเราไม่ประมาทคือเราเนี่ยต้องใช้ชีวิตในแต่ละขณะให้ดีที่สุดใช้วันเวลาในแต่ละขณะให้ดีที่สุดใช้แบบไหนใช้ใยการวางใจให้มันไม่ทุกข์ทำได้ตอนนี้นะใช่ไหมเรา พลกมือเรารู้สึกตัวเราเดินรู้สึกตัวเนี่ยนะหรือเราหลงไปคิดจิตนันทุกข์เรารู้ทันเราเปลี่ยนกลับมารู้สึกตัวเนี่คือเราใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์แล้วในทีละขณนะความทุกข์ในอดีตนะมันก็ผ่านไปแล้วนะความทุกข์ในอนาคตมันยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าจิตของเราไปคิดถึงความทุกข์ในอดีตนะเราก็ทุกข์ตอนนี้ ถ้าจิตเราไปกังวลถึงอนาคตเราก็ทุกตอนนีนะ้ในเมื่อที่จริงทุกจริงจริงที่เราสัมผัสได้คือทุกตอนนี้ถ้าเรารู้ทันทุกตอนนี้เนาะเราก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนความทุกเป็นความไม่ทุกนะเปลี่ยนความคิดกลายเป็นการไม่คิดนะวางความคิดมีสติเฉยๆนะ่มันก็ไม่ทุกแล้วใช่ไหมนะความทุกมันเปลี่ยนตอนนี้เลยนะอย่าไปทาที่อนาคตนะ อย่าไปนะค้ำควนถึงอดีตนะแต่สิ่งที่ควรทำคือทำตอนนี้นะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันนะรู้ทันกายที่เคลื่อนไหวรู้ทันใจที่คิดนึกนะเมื่อไรที่เรารู้ทันกายที่เคลื่อนไหวรู้ทันใจที่คิดนึกนะเราจะเห็นความจริงนะของชีวิตนะว่ามันเป็นเพียงแค่รูปแค่นาม เป็นเพียงแค่ธาตุแค่ขันมาประกอบกันเท่านั้นนะจิตของเราก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้นะเนาะพราะทั้งชีวิตดงคิดเราก็ติดแต่สมมุตินะไม่เข้าใจสิ่งที่เรียก ว, วิมุตหรือปรมัตนะแต่ที่จริงแล้วการทําเช่นนั้นนะก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากเกินไปนะเราสามารถทําได้นะแต่ต้องเนะี่ยฝึกให้มันบ่อยๆฝึกให้มัน ผิทีขึ้นนะดังนั้นจิตมันค่อยๆนเห็นความจริงบ่อยๆนะมันก็เกิดการยอมรับบ่อยๆมันเหมือนคล้ายๆฝนเนาะถ้าหน้าแรงเนี้ยฝนตกแรงๆครั้งสองครั้งน้ําก็ซึมซับดินก็ซึมซับน้ําลงไปแต่ก็ไม่นานมันก็แห้งนะซึมลงไปในผืนดินหมดหน้าดินก็ยังเปียดนิดๆหน่อยแล้วก็สุดท้ายแดดเผาก็แห้งเหมือนเดิม แต่ถ้าเป็นหน้าฝนนะฝนตกทีทีฝนตกทุกวันนะดินมันอิ่มน้ํำนะต้นไม้มันอิ่มน้ํำนะมันก็ได้น้ํำนะไหลไปในดําทานนะหรือว่าเก็บตักคัมไว้ได้นะจิตของเราก็เหมือนกันนะบางทีมันก็มันก็เหี่ยวแห้งเนาะจากความหลงที่หลงไปคิดนะหลงไปวิตกกังวลต่างๆเยอะแยะมากมายเนาะ เราก็พยายามเนี่ยมีสติเบ่อยมีสติรู้ต tai, ัวเมื่อใดจิตมันก็เลิกคิดมีสติรู้ต tai, ัวเมื่อใดจิตก็อยู่กับปัจจุบันมีสติรู้ตัวเมื่อใดมันก็ไม่ทุกข์แล้วอันนี้คือของจริงนะของจริงคือการไม่ทุกข์นะของจริงคือความพ้นทุกข์นะพ้นทุกข์ที่ตอนไหนพ้นทุกข์ที่ที่ปัจจุบันตอนนี้นะไม่ใช่พ้นทุกข์ด้วยความคิดไม่ใช่พ้นทุกข์ด้วยคาพูดนะ อะมารยยังรู้สึกเอออาจารย์ขรนเนาะเหมือนคุยกับคุณเอนะในตอนสุดท้ายก่อนวันที่จะเสียออสองวันนะตอนที่ยังมีตอนที่ยังมีฟอร์มีแรงที่จะพูดได้อะความหมายค่อยๆว่าประมาณว่าการบรรทุรรมเนี่ยเป็นเป็นคำพูด เ, ออเป็นเพียงแค่คำพูดแต่ความไม่ทุกเนี่ยเป็นเป็นของจริง ันั้นการปฏิบัติธรรมนะถ้าเราคิดถึงแต่การบรรลุธรรมเมื่อไรเราจะบรรลุธรรมเป็ น, ปนแยกรูปแยกนามได้เป็นพระโสดาบันเป็นพระอาหารหันต์เราไปคิดแต่ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะทำได้แต่ที่จริงสิ่งที่ทำได้จริงๆตอนนี้คือไม่ไม่ทุกตอนนี้นะมันทำง่ายกว่านะไปคิดว่าเมื่อไหรเราจะบรรลุธรรมเนี่ยอมันไปรอไปรอความไม่ทุกข์ตอนอ น, อนาคต ไปรอความสุขที่อนาคตแต่ที่จริงความไม่ทุกข์ถ้าทาตอนนี้มันได้ตอนนีนะ้รู้สึกตัวเมื่อไรนะใจก็ไม่ทุกขนะ์อันนี้คือของจริงกว่านะของจริงเหมือนคล้ายๆเราเรียนหนังสือนะคิดถึงนะวิธีทำอาหารนะเรียนอ่านตำราทำอาหารแต่ไม่เคยรู้เลยว่านะต้นหอมเป็นแบบไหนนะ หั่นผักแบบไหนหั่นเนื้อแบบไหนนะปรุงรสอย่างไรในตำราเรารู้หมดสูตรวิธีแต่พอไปหาวัตถุ ด, ดิบมาทำจริงๆทำไม่เป็นนะแต่ทจริงถ้าเราลองทำเราลองทำวันแรกมันอาจจะไม่อร่อยแต่ทำบ่อยบ่อยมันก็ย่อมพัฒนาเพย่อมดีขึ้นการมีสติก็เหมือนกันนะวันแรกเร า, า จ, จะฝึกไปอาจจะรู้น้อยกว่าหลง เธอมากกว่าการมีสติแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปเรื่อยอ๋อความหลงก็สั้นลงความคิดก็น้อยลงนหรือมันคิดเราก็รู้ทันได้เร็วขึ้ น, นมั้เนี่ยมีสติบ่อยขึ้นไอ้ช่องว่างที่มันเคยทุกนานานทุกยยาวๆนะมันก็ค่อยๆสั้นลงนความไม่ทุกข์มันก็เลยเข้ามาแทนที่ได้มากขึ้น แน่นอนคือสิ่งที่เราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็จิตมันก็จะไม่ทุกข์บ่อยขึ้นพอไม่ทุกข์บ่อยขึ้นนะมันขี้เกียจทุกข์เคยขี้เกียจทุกข์ไหมเป็นใหญ่คนขยันทุกข์นะขยันคิดนขยันวิตกขยันกังวลขยันคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีนะแต่พอฝึกบ่อยๆนะขี้เกียจอะไรที่อะไรที่มันคิดแล้วทุกข์อะขี้เกียจคิดอืมะ มันคิดเรื่องกังวลคิดเรื่องกลัวนั่นกลัวนี่คิดเรื่องเขาทาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันขี้เกียจคิดคิดไปไม่มีประโยชน์นะแต่พอมีสติมากขึ้นนะเออเนี่ยมันขี้เกียจคิดพวกนี้นะถ้าจะคิดก็คิดเชิงสร้างสรรค์คิดในเชิงพัฒนาคิดในการช่วยเหลือคนนั้นคนนี้นะเท่าที่ทําได้แต่จะคิดให้มันเป็นทุกข์มันขี้เกียจคิดจะปรุงให้มันเป็นทุกข์มันขี้เกียจปรุงนะอันนี้คือ ถ้าจะขี้เกียจเขขี้เกียจให้ถูกทางนะก็คือขี้เกียจทุกนะแต่จะให้ขยันก็คือให้ขยันรู้สึกตัวนะให้ขยันกลับมามีสตินะมาว่าอันนี้คือคือสิ่งที่เราทําได้นอกแล้วก็มาว่าพวกเราทุกท่านนะก็คงหวังว่าจะได้เดินตอ่อยตามธรรมของอาจารย์กมพลนะครั้งบุญนุ่มขนาดท่านนะ เคลื่อนไหวร่างกายยังไม่ได้มียาบดน้อยกว่าเราไม่รู้กี่เท่านะหรือรเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บนะหนักหนากว่าเราเป็นตอนนีนะ้ไม่รู้มากขนาดไหนนะแต่ท่านก็ยังนะดำรงสตนะิอยู่ได้ตลอดเวลานะผ่านเผชิญกับปัญหาต่างๆมาในชีวิตมากมายจนทั้งสุดท้ายไม่แต่ตอนตายก็ยังสามารถตายได้อย่า ง, างสงบนะ ไม่ทุรนทุรายนะแล้วก็ยังมาก็สังเกตดูท่านก็มีสติตลอดนะเพียงแต่ว่าสื่อสารไม่ได้พูดไม่ได้นะแต่ใครพูดท่านก็ได้ยินท่านก็รู้สึกนะท่านก็รับรู้อยู่คือดํารงสติอยู่ได้ตลอดเวลาจนทังถึงตอนที่ที่เสียชีวิตเนาะข้อสุดท้ายนี้ก็ขอให้เราทุกคนเนาะก็จงตั้งใจทําความเพียรนะให้มีสติ นะอย่าได้ประมาทในการนะใช้ชีวิตนะขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านได้เจริญในศีลในธรรมนะยิ่ ง, งขึ้นไปจะต้องเข้าถึงมรรคผลนิพพานนะในปัจจุบันชาตินี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านด้วยเทอมสาธุกลาบครับร้อมกัน